FM 89.5 m ม 89. z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีกว่า4ทศวรรษที่เราทำงานเคียงข้างเพื่อสังคมสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆบ่มเพาะบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติก้าวต่อไปสู่การเป็นฟันฟืงหลักของประเทศ R M U T T Moving Towards อินโนเวทีฟยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่ 19-23 ถึงสิงหาคม2562นหาอณหอประชุมราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีอำเภอธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 กลับมาพบกับดิฉันวัชรินคันทะชานะคะทางคลื่น 89.5 ทุกๆวันวันอาทิตย์นะคะตอนช่วงเวลา18นาก30นาทีจนถึงเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันแบบสร้างสารรค์ทั้งในและต่างประเทศนะคะหยิบเรื่องดีๆมาฝากด้วยคอนเซปที่อยากจะให้คุณมีกำลังใจเพื่อที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในการทางานด้วยกาลังใจที่ดีนะคะ แล้วก็วันนี้เหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงอยากเล่าช่วงอยากเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะมีงานดีๆมีงานวิจัยดีๆหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จอยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะสาหรับในช่วงแรกเรื่องของอยากเล่าวันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์การขอโทษนะคะเป็นเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทางเลือกนะคะ เป็นเรื่องที่ดีที่ระบบหลักสูตรของเด็กๆบ้านเราเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นที่จะให้ตัวเด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แล้วก็ให้เขาเองนั้นเรียนรู้ชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นเรื่องจากจังหวัดสงขลาค่ะเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของเทศบาลปริกในจังหวัดสงขลานะคะเป็นเรื่องของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเนี่ยเขาได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของเทศบาลตำบปลปริกผ่านกระบวนการการทำงานที่เรียกว่ามหาวิชาลายปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะโดยเทศบาลปลิกเนี่ยอยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขานะคะก็ไปทำงานเพื่อที่จะ สร้างให้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งที่สร้างพ ล, ลเมืองที่มีความตื่นรู้ในกระบวนการการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในทุทกกลุ่มคนนะคะโดยเทศบาลปลีกมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานแล้วก็จัดการสอนนอกระบบให้สอดคล้องกับหลักคาสอนทางศางสน า, านะคะเพราะว่าในภาคใต้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามมาต่อเนื่องเนี่ยด้วยความหลากหลายของศาสนา บางครั้งอาจจะมีความ เ, าเขาเรียกว่าการสื่อสารหรื อ, อข้อข้อต่อของการสื่อสารเนี่ยที่มันพลาดไปมันสื่อสารไม่ตรงกันเนี่ยการศึกษาในระบบพหุภาษาเนี่ยจะช่วยทาให้คนในพื้นที่เข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะโดยโรงเรียนเทศบาลปิดเนี่ยก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็เลยพยายามที่จะสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการจัด จัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมการจัดการการศึกษาตลอดชีวิตโดยรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เด็กเองนั้นมีความกล้ามีความเป็นผู้นํานะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยนายสุริยายีขุนนายกเทศมนตรีตําบลปลิกก็บอกว่าต้องการที่จะสร้างพลเมืองให้มีความตื่นรู้แล้วก็ มีโรงเรียนที่มีหลักสูตร8บวก4ี่นะคะเดี๋ยวไปฟังกันดูว่า8ดบวก4เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าต้องการสร้างและปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับเด็กอย่างน้อยเนี่ย เด็กรู้จักบ้านรู้จักชุมชนตัวเองสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็สามารถทํากิจกรรมที่สอดรับกับกิจกรรมของชุมชนในเทศบาล<ๆ>ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆไปในทิศทางเดียวกันที่เข้าใจตรงกันได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมพลังงานและก็ภัยพิบัตริรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหลักสูตร8ปบกสเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างจากหลักสูตรของแกนกลางค่ะหลักสูตรนี้ถือเป็ น, นกลไกในการสร้างพลังพลเมืองในอนาคตของเทศบาลปลีกนะคะอันนี้น่าชื่นชมตรงที่ว่าหลักสูตรแกนกลางก็ยังคงรักษาไว้แต่ยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนะคะโดยโรงเรียนเทศบาลตะบนปลีกเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็จะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สามโดยในปี2500 6นเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด520คนในจำนวนนี้เป็นศาสนาพุทธอยู่ 13% เแล้วก็นับถือศาสนาอิสลาม 87% นะคะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนางสาวอุสณีเหลมมันนะคะก็บอกว่าโรงเรียนเทศบาลตำบลปลิกจะเน้นสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจปัญญาภายใต้แนวคิดที่อยากจะให้ เด็กเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งแล้วก็มีความสุขด้วยค่ะโดยเน้นการสร้างคนดีควบคู่ไปกับการสร้างคนเก่งก็จะแตกต่างจากการบริหารจัด ก, การโรงเรียนทั่วไปในหลักที่1ก็คือโรงเรียนมีการเรียนวิชาศาสนาทั้งอิสลามศึกษาแล้วก็พุทธศาสนานะคะเน้นให้เด็กเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาตัวเองโดยเชื่อว่าจะเป็นคนดีต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเน้นการเรียนผ่านการปฏิบัติแล้วก็นํามาบูรณาการกับชีวิตจริง ประการต่อมาประการที่สองนะคะก็มีกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับศา ส, สนาเช่นวันฮาริรยอค่ายวิถีอิสลามหรือวันเข้าพรรษาแล้วก็การบวชบรรพชานะคะก็คือมิกซ์ทั้งสศาสนาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งเด็กก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมดังกล่าวนะคะประการสุดท้ายนะคะก็คือหลักสูตรจะเพิ่ม4ี่หลักสูตรนอกเหนือจาก8กลุ่มวิชาจากแกนกลางนะคะก็คือเชื่อว่า เป็นหลักสูตรที่สร้างคนดีได้แก่วิชาวิถีชุมชนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาวิชาพลังงานทดแทนและภัยพิบัติแล้วก็วิชาสุดท้ายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยสโดย4ีวิชานี้เนี่ยเป็นสีวิชาที่เด็กเองจะได้เรียนรู้ว่าชุมชนของตัวเองนั้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในเรื่องใด ต้องระมัดระวังหรือตรหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะโดยรายละเอียดของ4ี่วิชาหลักมีการเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางอย่างวิธีวิชาวิถีชุมชนก็จะปลูกฝังให้เด็กรู้จักชุมชนทั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต ก็มีการให้ความรู้ผ่านปราชชาวบ้านนะคะก็มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปราชชาวบ้านกับเด็กรุ่นใหม่ก็กำหนดร่วมกันว่าเด็กควรจะรู้อะไรเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้า ง, างเช่นบุคคลสําคัญในท้องถิ่นสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะคะส่วนทางด้าน ส, สิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยก็จะเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในชุมชนในชุมชนมีแม่น้ํามีลําคลองตรงไหนเพื่อให้ให้เห็นปัญหาแล้วก็เกิดการแก้ไขมีเจตสาทะนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนส่วนทางด้านวิชาพลังงานทดแทนและก็ภัยพิบัติเนี่ยก็จะปลูกฝังในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาและป้องกันภัยพิบัติต่างๆส่วนวิชาสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของวิชาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็เรียนรู้และถอดบทเรียนเช่นการรับประทานอาหารมีเหตุมีผลโดยบริบทของท้องถิ่นนโยบายและความต้องการของชุมชนเป็นหลักนะคะ โดยหลักสูตรของเนื้อหาเนี่ยนอกจากจะเป็นแนวโนโยบายของโรงเรียนแล้วเนี่ยทางด้านครูทุกคนก็จะต้องร่วมกันทำหลักสูตรแล้วก็ปรับความเข้าใจร่วมกันว่าจะมีวิธีการสอนแบบใดในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยครูแต่ละรายวิชาก็จะมีวิชาหลักสูตรท้องถิ่นนะคะ1ชั่วโมงโดยสอนทั้งภาคสิทธิภาคทฤษฎีแล้วก็พักภาคปฏิบัตินะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆ ก, ก็ชอบหลักสูตรแบบนี้มากนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสิ่งพื้นฐานเพราะว่าเด็กเองเนี่ยเขาเขาอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่แล้วละแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในในสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็นอยู่แล้วเขาเห็นอยู่ที่บ้านเห็นอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนของเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนนะคะแล้วก็เด็กก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ผูกพันกับชุมชนด้วยตรงนี้ก็เป็นการปลูกจิตสํานึกให้เด็กๆนัรู้สึกผูกพันกับชุมชนนะคะ โดยแนวคิดของผู้นําเทศบาลปิกเนี่ยมุ่งสร้างองคอ์กรองค์ความรู้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งสําคัญการส่งเสริมการศึกษาก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะสร้างสังคมคนดีให้เกิดขึ้นได้นะคะโดยกระบวนการชุมชนเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ที่เรา เ, เทศบาลตะบนปิ่ต้องการที่จะนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่ วันนี้อาจจะเริ่มจากเราทันไหมไม่ทันเริ่มจากเด็กรุ่นใหม่ทันไหมต้องเริ่มค่ะทันหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราเองลงทุนหวานสิ่งใดแล้ววันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรแน่นอนค่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องเล่าดีๆจากต่างประเทศมาฝากกันค่ะสนับสนุนรายการโดยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards oh. Innovative University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 เป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในช่วงนี้เป็นเรื่องของอยากรู้นะคะเก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้อยากจะฝากเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆที่อยากจะเอามาเล่า ให้ในให้ฟังในรายการนะคะฝากฝากได้ไว้ในเพจเล่าเป็นเรื่องนะคะเป็นเป็นเพจส่วนตัวของอดิฉันเองนะคะเรื่องเล่าที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ในเรื่องของการแบรนด์พลาสติกทั่วโลกนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญสังเกตดูว่า จะพยายามหยิบเรื่องนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเสมอๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆนะคะโดย วันนี้เนี่ยเรื่องใกล้ตัวในบ้านเราก็จะเห็นความพยายามของอห้างสรรพสินค้าหรือ อ, อย่างเช่นร้านสะดวกซื้อนะคะเขาก็มีนโยบายในการที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกในบ้านเราลงนะคะโดยอย่างห้างสรรพสินค้าในเครือเดลโมลกรุ๊ปก็ประกาศงดแจกถุงพลาสติกฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากจะได้ถุงพลาสติกก็จะต้องจ่ายมา1บาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่า ดูแลรักษาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่คุณเองนั้นจะต้องจ่ายราคานะคะส่วนเซนทันก็มีการมอบคะแนน t h ือ n e ันการเพิ่มให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกรวมถึงเซเว่นอี 11, เลฟเว่เองนะคะก็มีแคมเปญไม่รับถุงก็จะบริจาค20สตางค์ช่วยโรงพยาบาลใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะกะ็ตอนนี้ก็บริจาคได้เป็นร้อยล้านแล้วนะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในบ้านเรา แต่ความเคลื่อนไหวในสถานการณ์โลกมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์พลาสติกโลกเป็นยังไงนะคะพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุที่จะได้รับความนิยมหรือแพร่หลายมาเมื่อย้อนหลังไปเมื่อแค่50ปีมา น, นี้เองนะคะโดยผลิตมียอดการผลิตถุงพลาสติกพุ่ ง, พ, ง, พ, งพลวดพลาดมาเป็น15ล้านตันในปีหนึ่มาเป็น311ล้านตันในปี2014จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันสะดวกสบายเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ consolingnow. com ระบุว่าทุกปีเนี่ยจะมีถุงพลาสติกราวประมาณ500 0 0 0ล้านถึง1ล้านล้านใบทั่วโลกนะคะก็เท่าเท่ากับมีการใช้1ล้านใบต่อ1นาทีโดยคนเราจะใช้ใช้ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยแค่12นาทีคือใช้มาเนี่ยอย่างเช่นซื้อกาแฟก็จะมีถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยทุกๆุ 12นาทีไม่ใช่ค่ะในะถุงพลาสติกถูกใช้งานเนี่ยเพียงแค่12นาทีมันก็จะอยู่ในขยะนะคะส่วนอัตราการรีไซเคิลถุงพลาสติกนั้นมีเพียงแค่1ใบต่อจำนวนถุง200ใบที่ถูกใช้ออกไปอันนี้เป็นข้อมูลจาก biologicaldiversity.org นะคะระบุไว้ต้องใช้เวลาถึง500ปีกว่าจะมีการย่อยสลายถุงพลาสติกนี้ให้หมดไปนะคะมาดูชาติแรกที่มีการแบนถุงพลาสติก ให้ทายติ๊กตอกติกตอกว่าเป็นชาติไหนนะคะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กลับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในแถบเอเชียอย่างบางคลาเทศนะคะที่มีการประกาศห้ามใช้มาตั้งแต่ ปี2002หลังจากพบว่าถุงพลาสติกเนี่ยเข้าไปอุดตันท่อระบายน้ำจนทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในบังคลาเทศนะคะบ้านเราก็อาจจะไม่ครั้งใหญ่มากแต่ก็ท่วมบ่อยๆท่วมทีๆพอรื้อท่อกันทีก็จะมีถุงพลาสติกเป็นพระเอกงอยู่ในนั้นซ่อนตัวอยู่นะคะมาดูประเทศต่อมานะคะเคนยาถือเป็นประเทศที่มีบทลงโทษที่เข้มงวดที่สุดเลยเพราะว่าจะมีบทลงโทษฝ่าฝืน สำหรับผู้ฝา่าฝืนเนี่ยห้ามใช้ถุงพลาสติกรุนแรงที่สุดในโลกเพราะว่าบทลงโทษจำคุก4ี่ปีค่ะหรือปรับสูงสุดสูงสุดี่ 0,000 ืนดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.2 ล้านบาทนะตีเป็นไทยแล้วนะคะประเทศเคนยาประกาศใช้กฎหมายนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2017ค่ะโดยผู้ ผ, ผลิตผู้ขายหรือแม้แต่ผู้ที่ใช้ถุงพลาสติกก็เสี่ยงจะถูกเล่นงานด้วยบทลงโทษนี้เหมือนกันโดยหนังสือพิมพ์ t h อ g ก a r d เดียรรายงานว่านับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2018หลังจากบังคับใช้กฎหมายมา10เดือนแล้วเนี่ยชาวเคนยาประมาณ50คนถูกจับจากการห้ามใช้ถุงพลาสติก บ้านเราจะใช้ถ้าใช้กฎหมายนี้นี่คงจะต้องมีประชาพิจารณหลายรอบนะคะกว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้มาดูค่ะว่ามาตรการทั่วโลกในการใช้อห้ามใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมีข้อมูลอย่างไงบ้างนะคะข้อมูลล่าสุดรายงาน ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสนะคะแล้วก็สถาบันทรัพยากรโลกพบว่ามีเพียง127ประเทศจาก119ประเทศที่ทำการสำรวจว่ามีการออกกฎหมายควบคุมการใช้การผลิตการขายแล้วก็การกำจัดถุงพลาสติกข้อมูลนี้เนี่ยนับถึงเดือนกรก ฎ, กรกฎาคมปี2018นนะคะผลสำรวจพบว่ามีเพียง27ประเทศ 27ประเทศนะคะที่มีนโยบายห้ามพลาสติกใช้แล้วทิ้งอย่างพวกจานช้อนซ่อมถ้วยหลอดหรือว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกมี30ประเทศคิดค่าใช้ใจ่ายกับผู้บริโภคที่ต้องการใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มี27ประเทศที่เรียกเก็บภาษีจากผู้จากการผลิตถุงพลาสติกโดยเฉพาะอันนี้คือเป็นลาดับขั้นของมาตรการในการดูแลในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกนะคะ แล้วมาดูต่อกันว่าไอ้พลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วแล้วสามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือ นำไปปฏิวัติครั้งใหญ่ในทางการบริโภคได้รับความสะดวกแล้วก็ทําให้สุขอนามัยของคนดีขึ้นนะคะก็คือมีบรรจุพันธุ์ที่สะอาดแต่ความสะดวกสบายเนี้ยก็ต้องจ่ายราคาค่ะต้องแลกมาด้วยชายหาดหรือตามตอกซอกซอยหรือตามท่อระบายน้ําก็จะมีขยะพลาสติกเนี่ยทับถมกันอยู่หลายร้อยปีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นขยะสะสมอยู่ในสภาพแวดล้อม ถึงเจนะคะแล้วมีพลาสติกที่สูกถูกนําไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเนี่ย9เท่านั้นเองนะคะน้อยมากเลยน้อยมากนะคะมาดูในเรื่องของแล้ขยะพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนนะคะแปของขยะพลาสติกเนี่ยก็จะไปอยู่ในพื้นดินก็จะไปอยู่ในทะเลในมหาสมุทรดังนั้นเป้าหมายหลักในการลดขยะพลาสติกก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ ระบบนิเวศ ท, ทางทะเลนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกกอดดูดแล้วก็ไมโครพลาสติกเนี่ยจะสะสมกันเป็นแพขนาดแพรขยะพื้นใหญ่มหาสารในมหาสมุทรนะคะโดยแพรขยะพื้นใหญ่ที่สุดมีชื่อเรียกว่าแพรขยะใหญ่แปซิฟิกนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของรัฐเท็กซัสถ้าเกิดข้อมูลที่เรเรียนมั้งแต่เด็กว่า1ม ล, ลรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขนาดเท่ากับ1ประเทศของเราเนี่ยก็เท่ากับประเทศไทย สองประเทศนะคะที่มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะสัตว์ที่มีความเสี่ยงที่จะตายและก็อาจจะสูญพันในที่สุดก็คือวานนะคะในบรรดาสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกวานเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีค่ะที่เขาเองมีความเสี่ยงมากเลยเพราะว่า ว่าเนี่ยแยกไม่ออกว่าไหนพลาสติกอันไหนเป็นอาหารนะคะเห็นอะไรก็กินได้หมดนะคะเขาก็อาปากทีนึงก็เข้าไปในระบบระบบะย่อยอาหารของเขาส่วนในบ้านเราเนี่ยวานก็มาเกยตื้นเสียชีวิตไปเมื่อต้นต้นปีนี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่มันใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วนะคะส่วนในประเทศจีนเองเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องขยะจากถุงพลาสติกรุนแรงมากจนมีคําศัพท์เฉพาะเลยนะคะเรียกว่ามลพิษสีขาว แทนขยะพลาสติกแล้วก็มีการออกกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกเด็ดขาดในปี2008ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาขยะถุงพลาสติกก็ลดลง 60-80% นะคะหรือคิดเป็น 40,000 ล้านใบก็น่าสนใจนะคะพอประกาศตั้งแต่ปี2018ปีนี้2019เนี่ยลดไปถึงเกือบ 80% เนี่ยก็น่าจะนำมาทบทวนแล้วก็ใช้ในบ้านเราได้นะคะ มาดูมาตรการที่ได้ผลที่เขาประเมินมาแล้วเนี่ยมาตรการที่ได้ผลที่สุดเลยก็คื อ, อผลสำรวจจากในหลายประเทศเพบว่านโยบายที่สร้างแรงจูงใจไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดก็คือให้คะแนนสะสมหรือว่าลดเงินไม่ส่งผลค่ะแต่การาไม่ส่งผลต่อการลดการใช้ถุงพลาสติก แต่การบังคับให้ใช้นโยบายที่เด็ดขาดอย่างงดแจกถุงหรือเลี้ยกเก็บเงินค่าถุงไปเลยจะได้ผลกว่าที่สำคัญคือห้ามใช้ยังทำให้จำนวนถุงพลาสติกในสิ่งแวดล้อมลดลงไปอย่างมากยกตัวอย่างอย่างเมืองซานโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ปี2012และนับจากนั้นก็พบว่าถุงพลาสติก ไปอุดตันอยู่ตามท่อน้ำต่างๆลดลง 89% ตามแม่น้ำลำคลองลดไป 60% ส่วนขยะอะ่พลาสติกตามบ้านเรือนก็ลดลงไป 59% นะคะนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะคะส่วนในเดนมาร์ก ส่วนในเดนมาร์กเองนั้นก็มีเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ถุงพลาสติกต่ําที่สุดในยุโรปค่ะคือเฉลี่ยแล้วใช้กันแค่คนละ4ี่ใบต่อปีนะคะนั่นหมายความว่าเขามีถุงผ้าหรือมีถุงที่สามารถใช้แล้วกลับมานำเก็บมาใช้ได้อีกนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศกฎหมายห้ามใช้เลยไปจนถึงวิธีการลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากที่สุดแต่ก็มีผลลัพธ์เหมือนกันก็คือประเทศที่มีความเข้มงวดในการประกาศใช้ ก็จะมีปัญหาเรื่องของการนำเข้ามาขายในตลาดมืดนะคะอย่างตัวอย่างของออประเทศอูกันดาแล้วก็แทนซาเนียนะคะก็จะมีปัญหาของการนำขยะมืดไอไม่ใช่ไม่ใช่ขยะมืดนะคะนำถุงพลาสติกเข้ามาขายในตลาดมืดนะคะส่วนรัฐมหาลาดของอินเดียเนี่ยก็มีการประกาศห้ามใช้พลาสติก ใช้แล้วทิ้งปัจจุบันทันด่วนนะคะในปี2018เนี่ยคือประกาศห้ามใช้ปุบ ป, ปับเลยก็มีเสียงคัดค้านมาจากทั้งผู้ค้ารายย่อยรวมไปถึงบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆนะคะส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องออกมาประกาศยกเลิกกฎหมายในท้ายที่สุดก็เท่ากับว่ า, าการที่จะจูงใจให้คนเลิกใช้ถุงพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งควบคู่กันไปนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ เป็นสถานการณ์ทั่วโลกที่ทุกคนเห็นความสำคัญค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคนั้นจะยืดหยุ่นในการนำเข้ามาใช้และปรับใช้ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของตัวเองยังไงหมดเวลาสำหรับรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะกลับมาพบเรื่องเล่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คณชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์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 หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m r m t t r a d i o หรือทาง Li น์ official at rmuttradio